เรื่องสุญญาตาสุดยอดนี้ถ้าลองเหลือบดูให้ตำตามลดหลั่นไปตามลำดับก็จะเข้าใจสุญญาตาที่ต่ำตำหรือรองๆองลองมาคือทลายจากทางสูงคือเอาปรมานุตรราสุญญาตาเป็นสุดยอดแล้วก็ลดต่ำลงมาก็คือเนวสัญญาณาสัญญายตนะนี่เป็นความว่างที่รองลงมาแล้วก็อากินจัญญาญาตนะรองลงมาอีก วิญญาณนัญจายตนะรองลงมาอีกอากาศสารนัญจายตนะรองลงมาอีกและปัทวีสัญญารองลงมาอีกแล้วก็อรัญญสัญญารองลงมาอีกนี่มองจากข้างบนสุดลงมาหาพื้นต่ำนี้เข้าใจยากดูไปจากพื้นต่ำดีกว่าคือให้ค่อยๆเงยขึ้นไปข้างบนอันแรกที่สุดที่เรียกว่า อรัญยสัญญามีความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นป่านี่ท้าทีในบ้านในเมืองนี้มันวุ่นเราลองทําความสำคัญมั่นหมายด้วยจิตใจว่าเป็นป่าเหมือนอยู่ป่าหรือออกไปอยู่ป่าจริงๆแล้วทาสัญญาว่าป่าให้มีความว่างมีความสงดจากเสียงรบกวนมันก็เรียกว่าว่างชนิดหนึ่งมาแล้วเพียงแต่ทาสัญญาว่าป่าเท่านั้น ก็ได้สุญญาตาเด็กเล่นขึ้นมาแล้วสูงขึ้นไปปฐมวีสัญญาทำความมั่นหมายว่าดินคือสักว่าดินเท่านั้นดินก็หมายความว่าธาตุดินรู้สึกสิ่งต่างๆเป็นธาตุดินไปหมดก็อาจจะกำจัดความกำหนัดในการมารมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้นี่ก็เป็นสุญญาตาที่สูงกว่าเด็กอมมือ จึงควรที่คนหนุ่มคนสาวจะลองดูถ้าจะให้มันสูงขึ้นไปอีกก็ต้องทำสัญญาเป็นอากาศสานัญจายตนะทำความรู้สึกว่าทั้งหมดมีแต่อากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดอากาศนี้คือความว่างชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงสุญญาตาที่ว่างที่โล่งไม่มีอะไรนี่ก็ยังได้ความว่างหรือสุญญาตาที่สูงขึ้นไป ที่นี้อย่าไปสนใจในเรื่องความว่างที่ว่างที่โลกงนั้นให้สนใจเรื่องที่ละเอียดกว่านั้นจับตัวได้ยากกว่านั้นคือวิญญาณอย่างนี้เรียกว่าวิญญาณัญจายตนาะทาในใจไว้ว่าไม่มีอะไรนอกจากมีแต่วิญญาณที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีแต่วิญญาณธาตุที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหล่านี้ก็ยังว่างยิ่งขึ้นไปอีก ถ้าจะให้สูงขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นสุญญตาประเภททำในใจถึงอากินจัญญายตนะว่าไม่มีอะไรเลยที่แท้มันไม่มีอะไรเลยคือว่าจะไม่ให้จิตไปกำหนดถึงอะไรเลยกำหนดความไม่มีอะไรเลยแต่ยังรู้สึกอยู่ว่าไม่มีอะไรเลยอย่างนี้ก็เป็นว่างขึ้นไปอีก ที่ไต่ขึ้นไปอีกทีหนึ่งก็คือเนวะสัญญาณาสัญญายตนะทำความรู้สึกอยู่ด้วยความไม่รู้สึกเรียกว่าจะเหมือนกับคนเป็นก็ไม่ใช่คนตายก็ไม่ใช่คือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่หมาถึงการไม่ทำสัญญาในอะไรเลยมีความรู้สึกอยู่แต่ว่าไม่ทำสัญญาว่าอะไรเลยละเอียดยิ่งขึ้นไปขึ้นไป จนถึงกับว่าคนนั้นเรียกว่าคนตายแล้วก็ไม่ใช่คนเป็นอยู่ก็ไม่เชิงอย่างนี้ก็เรียกว่าว่างเหมือนกันหมายเหตุคำว่าสัญญาในทางธรรมะหมายถึงความจําได้หมายรู้นะครับไม่ใช่สัญญาที่เข้าใจกันในภาษาไทย ว่างทั้งหกระดับนี้ไม่ชื่อวาสุญญาตาอย่างที่ว่าคือไม่ใช่ปรมานุตรสุญญาตาเป็นแต่เพียงท่านแสดงให้เห็นว่าที่ว่าว่างว่างนี้มันว่างขึ้นมาได้อย่างไรมันว่างยิ่ n ขึ้นไปขึ้นไปได้อย่างไรแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ว่างอย่างมหาปุริสวิหารมันว่างอย่างที่พวกฤาษีมุนีก่อนพุทธกาลหรือในครั้งพุทธกาล ได้ค่อยๆ ค, คลําไปคลาไปจนมาพบและจนมุมอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอีกจนกระทั่งพระพุทธเจ้าทรงพบสุญญตาแท้ที่เป็นมหาปุริสาวิหารหรือปรมานุตรสุญญตาอย่างที่กล่าวแล้วนั่นเองอัทกถาเรียกความรู้สึกสุญตานี้ว่าสุญญตาพัสสะหรือสุญโตพัโโส พวกเรารู้จักกันแต่ภาษะทางตาภาษะทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผดทพะในธรรมอารมณ์ไม่เคยมีสุญญตาภาษะไม่เคยภาษะต่อสุญญตาเพราะว่าเรารู้จักกันแต่รูปธรรมาตุอารูปธรรมาตุไม่รู้เรื่องนิโรธาธาตุเมื่อไรเรารู้เรื่องนิโรธาธาตุเราจะได้ภาษะอันใหม่ คือสุญญตาพัสสะอย่างที่อัตถกาถาเรียกแล้วอันนี้มันเป็นชื่อของอริยมรรคในขั้นทําลายกิเลสได้จริงต่อเมื่อสร้างอริยมรรคที่ทําลายกิเลสได้จริงและทําลายกิเลสอยู่ขณะนั้นเรียกว่าสุญญตาพัสสะคือเราได้เอามือไปแตะสุญญตาเข้าแล้วนี่พูดอย่างอุปมาว่าเหมือนกับเราเอามือไปแตะสุญญตาเข้าแล้ว คือจิตของเราได้สัมผัสกันเข้ากับความว่างความว่างในลักษณะที่เป็นภสษาเช่นนี้มันหมายถึงอริยมรรคของคนที่เห็นอนัตตาคืออนัตตานุปัสนาเห็นว่าไม่มีตัวตนไม่มีของตนเป็นสักแต่ว่าธรรมะธรรมชาติเรื่อยไปยิงขึ้นยิงขึ้นเป็นอริยมรรคทานองนี้อยู่แล้วก็เรียกว่าสุญญโตในที่นี้ แล้วผัสสะใดเกิดขึ้นในขณะแห่งมรคนั้นผัสสะนั้นเรียกว่าสุญญโตผัสโสหรือสุญญตาผัสสะคือการแต่ต้องสุญญาตาอนัตตานุปัสสนาที่ทำให้มีอาการอย่างนี้ได้นี้มันสืบต่อมาจากการเห็นทุกข์คืออนัตตานุปัสสนาจะต้องสืบต่อมาจากทุกขานุปัสสนาเหมือนกับว่า ไปขยาเอาไฟเข้าแล้วมันร้อนอย่างนี้มันจึงจะรู้ว่าไฟนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรขยำเลยหรือว่าทําทั้งปวงนี้ไปขยาเข้าแล้วก็เป็นไฟขึ้นมาแล้วทําทั้งปวงนี้ไม่ควรขยำเลยคือไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นมันเลยความเจนใจทางวิญญาณจะเป็นเลชัวเอ็กซ์เ e รียร์ของเรามากพอ ในการที่ว่ามันไม่เอาอย่างไรมันเผาเอาอย่างไรมันร้อยรัดปุ้มอ่อทิมแทงพัวพันเผาลนอย่างไรอย่างนี้เรียกว่าทุกขานุ ป, ปัสสนาความเจนใจทางวิญญาณหรือ spiritual experience ในขั้นนี้เรียกว่าทุกขานุ ป, ปัสสนาเป็นเหตุให้เกิดอนัน ต, ตานุ ป, ปัสสนาหรือสุญญ า, านุปัสสนาขึ้นมา เพราะฉะนั้นภาษาต่อธรรมะคือภาษาที่รู้สึกต่อธรรมะขณะนั้นเรียกว่าสุญญาตาภาษะทีนี้จะต้องติดต่อไปถึงว่าบางคนเขาค้านว่าถ้าไม่ถึงนิพพานจะรู้เรื่องนิพพานได้อย่างไรอย่างว่าไม่เคยไปยุโรปจะเห็นยุโรปได้อย่างไรนี้มันไม่ใช่เรื่องทางวัตถุมันเป็นเรื่องในทางจิตใจ คือจิตใจของคนเรานี้ว่างเป็นการชิมลองอยู่ได้เองแล้วเหมือนกับอาตมาบอกว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนอยู่ที่นี่ส่วนมากจิตยงว่างอยู่แต่ว่างเป็นการชิมลองอย่างนี้ให้ขยันดูในนิเทศของการปฏิบัติอาณาปานาสติตอนจิตตานุปัสสนาที่ว่าเพ่งดูจิตตามที่เป็นจริงอย่างไรนั้นได้มีตอนกล่าวถึงว่าถ้าจิตมีราคะ ก็รู้ว่าจิตมีราคะถ้าจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะถ้าจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูจิตไม่หดหูก็รู้ว่าจิตไม่หดหูจิตวิมุตตก็รู้ว่าจิตวิมุตตจิตไม่วิมุตตก็รู้ว่าจิตไม่วิมุตตนี่คือความหมายของคำว่าว่างหรือไม่ว่างนั่นเอง ให้เราดูที่จิตของเรานี้กำลังวิมุตตคือว่างจากสิ่งทั้งปวงอยู่หรือว่าจิตของเรากำลังถูกจับลุมยึดถืออยู่ด้วยสิ่งใดในการปฏิบัติขั้นต้นเพียงขั้นนั้นก็ยังสอนให้ดูจิตที่ว่างหรือจิตที่วิมุตตอยู่แล้วซึ่งมันมีให้ดูในภายในไม่ใช่คาดคะเนเอาตามตัวหนังสือที่เคยอ่าน เป็นอันว่านิพพานหรือความว่างหรือสุญญตานี้มีให้ดูเป็นสิ่งที่มีให้เราดูได้แม้ในขณะที่เป็นปุถุชนอย่างนี้เพราะว่ามันมีความว่างอย่างตะทางค้าวิมุตตอยู่บ้างคือบังเอิญเหมือนอย่างที่กําลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เรียกว่าบังเอิญเป็นตะทางค้าวิมุตติถ้าได้แหวนล้อมอะไรอย่างนี้แล้วจิตยังว่างอยู่อย่างนี้ก็ว่างเหมือนกัน หรือถ้าใครไปทำสมาธิถูกวิธีจิตมันว่างสบายไปหมดยิ่งกว่าความสุขชนิดไหนหมดก็ยังได้นั่นเป็นวิคัมพนาวิมุตไม่ต้องพูดถึงสมุทเฉตวิมุตที่เป็นของพระอระหรันเราก็ยังมีความว่างมาดูเป็นตัวอย่างใดเหมือนกับตัวอย่างสินค้าของพระพุทธเจ้าถ้าใครสนใจก็พอจะหาดูได้จากตัวของตัวเอง เราควรทำอาณาปณสติไปตามลำดับของกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรมานุปัสสนาจะเป็นการชิมความว่างเรื่อยไปตั้งแต่ต้นจนปลายทั้งนั้นในที่สุดก็จะเข้าใจความว่างเรามองเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นแล้วจิตก็จะหันไปพอใจในอายตนะนั้นคือนิพพานหรือความว่างขึ้นมาได้ทันที นี่แหละเรียกว่าเราดูความว่างไปได้เรื่อยๆดูสุญญัตาไปได้เรื่อยๆก่อนที่จะถึงปรมาสุญญตาเป็นการก้าวหน้าไปตามกฎของมันเองหรือว่ากฎของธรรมชาติเองที่ว่ารู้เห็นสิ่งใดด้วยตนเองอย่างมั่นคงแล้วก็เป็นไปได้อย่างมั่นคงไม่โยกแยกเหมือนความรู้ที่มาจากการได้ยินได้ฟังหรือว่าเป็นความรู้ที่เป็นมายาทำนองนั้น ที่จะเป็นความสุขขึ้นมาได้อย่างไรนั้นเราไม่ต้องทำหรอกเราไม่ต้องอธิบายหรือไม่ต้องไปทำให้ยุ่งยากเราทำให้ว่างเถอะมันก็พอแล้วคือทำให้ว่างจากโลภะโทสะโมหะคือว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราแล้วมันก็ว่างจากโลภะโทสะโมหะเมื่อว่างจากโลภะโทสะโมหะก็คือว่างจริงๆมันเป็นคำคำเดียวกัน เมื่อนั้นความทุกข์ทั้งปวงก็จะหมดไปแม้แต่กรรมก็ยังหมดไปเอง